ให้หลวงพ่อให้โอวัดเลยเอาฟังนะคณะ ศ, ศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะเป็นไงร้อนหรือเปล่านี่ยวะฮะคงเย็นอยู่มั้งเ น, นาะลมพัดผ่านเนี่ยวะถ้าถ้ามันถ้ามันร้อนเนี่ทั้งฟังด้วยทั้งอยู่ในเตาอบด้วยไม่ไหวเหมือนกันนะอคงจะพอไหวอยู่มั้งเนาะลมพัดผ่านดีอยู่แต่วันนี้คิดว่าจะรับ ศรัทธาญาติโยมทั้งข้างในนู่นแหละแต่พอทราบข่าวตอนเช้ามาเห็นญาติยงกระปิดกระปลอยมาเอ้าคงจะมาเร็วอยู่มากว่ะปรหลงพ่อในวันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันพระจะออกมาฉันข้างนอกบิณฑบาตแล้วก็มาฉันข้างนอกศาลาหลังนี้ถ้าวันวันพระแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์นะถ้าวันธรรมดาก็ฉันอยู่ข้างใน วันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็เลยออกมาฉันอยู่ข้างนอกพราะนเห็นศรัทธาญาติโยมมาจากอุดอรบอกว่าจะมากราบคารวะหลวงพ่อหลวงปู่เหลียอหลวงปู่ตูมทองวัดป่าตูมทองจะมาหลวงพ่อก็เออถ้าอย่างนั้นยังไม่เข้าไปแล้ ว, วะหลวงพ่อก็เลยพักรอคอยคิดว่าจะสิบยี่สิบนาที ศรัทธาแย่โจมโกลงมาถึงมั่งพอที่ไหนได้โอ้ใช้เวลานา น, านพอสมควรกว่าจะรวมตัวกันได้ข้าพึ่งเนะี่ยเกือบเที่ยงพอดีไหบายโมงพอดีเนะ่อีกห้านาทีบ่ายโมงแล้ว <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สิบหกสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด วันนี้คณะทายาติโยมได้มากราบคารวะตามขนบธรรมเนียมประเพณีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาวันนี้ก็มีวัดมีหลวงปู่เหลียนวัดป่าบ้านจิกวัดหลวงปู่ถิน่นหลวงปู่ใหญ่ของเราพร้อมกับพระลูกหลานในเครือข่ายมากดูๆแล้วก็มากพาอสมควรเห็นๆเน็่ยอาจสง ศาลาใหญ่ของหลวงพ่อคนึ่งเือบเต็มแลว้วก็พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมก็รู้สึกว่ามากมายหลายจังหวัดหลายอําอำเภอหลายตำบลหมู่บ้านเห็นแล้วก็อบอุ่นได้มาพร้อมกันคลาวะตามประเพณีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวคือในช่วงช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พวกพระสงฆ์ได้จำภาษาเป็นที่ทางจากนั้นผู้เป็นหัวหน้าครูบาอาจารย์รุ่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านก็พาปฏิบัติมาพาลูกศิษย์ลูกหาไปกราบคารวะครูบาอาจารย์ที่อยู่ในละแวกนั้นสมัยก่อนไม่มีรถอย่างที่หลวงพ่ออยู่ที่ภูจอกอกับหลวงปู่ล่าเป็นสมณนหลวงปู่ล่าท่านก็พา ไปกบาบคารวะครูบายจาย์อยู่ในละแวกนั้นโอ้บางทีก็เดินทางเหนื่อยเหมือนกันนะเป็นวันสองวันกว่ากว่าจะถึงได้ไปคารวะเสร็จแล้วบางทีได้พักแรมพักค้างซะก่อนจึงจะได้กลับมาม า, มาพักมาภูเจากอได้นี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่ อ, อ, อรู้จักมักคุณมักคุนตั้งแต่เป็นสมณีน ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาไปทําวัดแต่ทางภาคกลางกำว่าทำวัดคำนี้นี่ยคงจะเป็นทําวัดเช้าทําวัดเย็นลักษณะอย่างนั้นแต่ทางอีสานครูบาอาจารย์พระกรรมฐานเนี่ยทำวัดเนี่ยไปว่ารู้กันเลยล ะ, ะไม่ใช่ทําวัดเช้าเย็นไปทำวัดครูบาอาจารย์ก็คือไปกับคารวะมุดน้ําดําหัวตามประเพณีพวกข้าวไปเจ้าทั้งหลายได้ประมาทพลาดพัง พวกผมทั้งหลายประมาทพลาดพังหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาพ่อแม่ครูบาจาร์ด้วยกายด้วยวาจาร์ด้วยใจขอให้พ่อแม่รูบายจาร์หลวงปู่หลวงตาโปรดโอโหสิกรรมให้พวกกระผมด้วยพวกข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้สำรวมระวังต่อไปอันนี้คือการกล่าวคำคารวะที่ว่าเทเ ล, ลมหาเทเ ล, ลอาจารเยประมาเทนะ ทวารตะเยนขตัะขะตงสับพังอ ป, ปรทาทังฆะมัทุโนพันเตอันนี้ก็คือการกล่าวแต่ความแปลและความหมายก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละทําไมจึงมีการกล่าวอย่างนั้นพวกเราอยู่ไกลกันห่างกันแต่ทําไมจึงได้กล่าวคาระวะอย่างนั้นเพราะว่าบางครั้งบางทีเราก็ส่งกระแสไปส่งกระแสจิตไป เราได้ยินเรื่องเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราก็โดยมากใจของมนุษย์ใจของปุถุชนโดยมากมันจะเคล็ดแวบออกไปโดยมากมันจะรู้จริงหรืไม่จริงมันก็ประมาทไปก่อนแล้วบางครั้งแต่พวกเราบางคนนะผมหลวงพ่อเคยได้ยินได้เห็นได้รู้จักมาแสดงเปิดเผยให้ฟังเลยว่าผมผมเนี่ยมันแปลกจริง ่พอเห็นใครเข้ามาแล้วมันเกิดประมาทขนาดประมาทกระทั่งพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่ประมาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมดาแ่ทั้งที่พระพุทธเจ้าเรายังไม่เคยเห็นก็ยังประมาทท่านแล้วใจของผมมันแปลกครับไม่รู้จะห้ามยังไงแต่ผมไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นแต่ไม่รู้จะทำยังไงหลวงพ่อจะมีวิธีแก้ไขไหมเนี่ยอันนี้ก็เคยมีเคยได้ยินมากหลายๆคนเหมือนกัน นี่แหละเรื่องการประมาทพลาดพังถ้าเราไม่เคยมีไม่เคยเป็น เ, เราก็คงจะเอ๊ะไม่น่าจะเป็นได้ทำไมจะไปิดประมาทพระพุทธเจ้าถึงขนาดนั้นแต่มันเป็นไปเพราะใจดวงนี้มันห้ามได้ยากแต่ถึงยังไงก็ตามใจประเภทนี้เป็นเป็นใจประเภทที่แปลกแปลกเหมือนกันนะใจะเหมือนกับถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนหมาหมาทั่วๆไปแต่หมามันก็ น, นิสัยหมากลุยแล้ว เห่านู้นเห่านี้ขี้ระแวงเวลากลางค่ำกลางคืนก็รักษาบ้านเฝ้าบ้านแต่หมาตัวนี้เป็นลักษณะแปลกกว่าเพื่อนคือเป็นลักษณะหมาบ้า ห, หมาตัวนี้แหะกัดดะไปหมดอทั้งที่หมาตัวอื่นมันไม่ชอบกัดมีเหตุมีผลจะก่อนอยังค่อยกัดนะแต่ประเภทหมาบ้าอย่างนี้มันชอบกัดอไม่รู้สูงไม่รู้จับไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควร ขันัดเขาโยนค้อนตะพธิให้มันจะไปกัดไม้ต ะ, ตะพธิเขาเองฮะเพราะเหตุไรเพราะมันเป็นบ้ามันหมาเป็นบ้าลักษณะอย่างนั้นแหะใจประเภทอย่างนั้นใจประเภทหมาบ้าไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรมันมีเนะ่ยเพราะฉะนั้นจริงจิตอย่างนั้นขึ้นมาถ้ามันใครก็ตามเป็นลักษณะอย่างนั้นขึ้นมาหลวงพ่อก็บอกว่าเออแต่ตามไม่จริงมันก็ไม่ไม่ถูกไม่ต้องแล้วล่ะ แต่ถึงยังไงก็าตามนะถ้ามันเกิดขึ้นเกิดขึ้นความประมาทอย่างนั้นขึ้นมาเมื่อไหร่ให้เราเระลึกถึงพระคุณของที่เราไปประมาทท่านนะสมมติว่าเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราประมาทท่านอพอประมาทท่านแล้วก็เ น, นื้อตัวสิว่านี่เรามีดีอย่างไรทําไมเราจึงประมาทท่านอย่างที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมีดีแต่เราทําไมจึงไปประมาทท่าน เรามีดีกว่าเราดีกว่าพระพุทธเจ้าอย่างนั้นใช่ไหมอันไหนที่เราดีกว่านึกมาให้เราดูเจ้ใจใจผู้รู้รู้คือใจนึกคิดนึกขึ้นมาดูซิท่านตัวของเธอเองเนี่ยที่ประมาทคนอื่นชอบประมาทคนอื่นมีดีอะไรบ้างถ้ามีดีอันไหนก็ยกขึ้นมาเราก็จะได้ชมว่าแต่แกเป็นคนดีแต่ น, นี่มีแต่ความประมาทคนอื่น คร้ายๆว่าตัวเองไม่มองตนเองแล้วก็ดูถูกชอบดูถูกคนอื่นจิตประเภทของเราเนี่ยจิตประเภทโง่โง่ที่สุดโง่อย่างมากๆให้ดูถูกเจ้าของไว้ก่อนนะดูถูกไปเลยจิตประเภทโง่อย่าดูถูกคนอื่นอย่าชอบดูถูกคนอื่นตัวเองไม่ดีทำไมจึงไปหาประมาทไปหาดูถูกผู้ที่เรารักรบนับถือเลื่อมใส เราในใจของเราเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นแต่ทําไมนี่แหละเสียงเหล่านี้แหละอยากจะให้พวกเราพอมันเกิดขึ้นมาเมื่ อ, อไหร่ประมาทพ่อแม่พี่น้องวงศาคณา ญ, ญาติหรือแขกผู้ใหญ่ท่านใดก็าตามให้เรานึกทบทวนความดีของท่านคืออะไรให้เราเลึกระลึกพร้อมกันไปเลยอย่าไปนึกเห็นแต่ความที่ไม่ดีและความที่ตัวเองคิดจะประมาทเท่า น, นั้นเองมันไม่ถูกนะนเพราะฉะนั้นขอให้กล่าวเตือนย้ํา สำหรับคณะธรรมญาติโยมลูกหลานทษกทั้งหลายที่ที่มีจิตเป็นประเภทอย่างนั้นให้พวกเราสำรวมระวังอันนี้เป็นหนทางแห่งนรกนะจิตประเภทอย่างนั้นจิตไม่รู้จักสูงจิตไม่รู้จักต่ำจิตไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรถึงจะไม่แสดงออกทางกายวาจาก็เถอะแต่เป็นการกระทําออกมาทางใจการกระทากรรมทาได้สามทางกายกรรมคือการกระทาทางกาย วัจีกรรมคือคำพูดมโนกรรมคือความคิดนะการกระทา ท, ท่านท่านบอกว่ากายกรรม3วัจีกรรมสมโนกรรมสมโนกรรมสคือคิดอยากโลภอยากได้ของเขาหนึ่งพราบาตปองร้ายเขาหนึ่งเห็นผิดอยากทานองคลองทรหนึ่งอันนี้คือมโนกรรมกายกรรมก็คือค่าคิดค่าสัตหนึ่งขโมยทรัพย์หนึ่งประพฤติ ผ, ผิดในก ร, รมหนึ่ง แล้วก็ดื่มสุราแล้วก็วจีกรรมแบพูดเท็จพูดสอเสียดพูดคําหยาบพูดเพอ้อเจ้อพูดสาหะหาสาระประโยชน์ไม่ได้อันนี้เรียกว่ากรรมเมืบทกรรมเมื่อบทสิบอันนี้คือการทํากรรมทําได้สามทางมนโนกรรมคือคิดไม่ดีกายกรรมการกระทําไม่ดีวิธีกรรม คือการพูดไม่ดีนี่แหละถ้าหาว่าคิดไม่ดีเป็นยังไงตกนรกไหมตกนรกได้คิดไม่ดีทําไม่ดีไม่ต้องพูดถึงทําไม่ดีพูดไม่ดีไม่ต้องพูดถึงตกนรกหมามากต่อมากเข้าคุกกปยังมีอีกแต่ว่าเคิดไม่ดีเนี่ยยังไม่มีคุดยังไม่มีตารางใสายคุกคนที่คิดไม่ดี ถ้าคิดไม่ดีแล้วก็ส่งออกมาทางการกระทำนั่นแหละติดคุกได้เี้แล้วก็ส่งออกมาทางวาจาพูดไม่ดีประมาทใครต่อใครเข้าไปอันนั้นติดคุกได้เพราะอะไรเพราะเป็นออกมาทางวาจาแล้วแล้วก็เป็นปาราชิกได้อีกต่างหากถ้ากทำออกไปแล้วพูดพูดออกไปนะแต่คิดเฉยๆยังไม่ผิดศีล น, นะออยังไม่ผิดศีลแต่มันผิดธรรมมันผิดธรรมธรรมเป็นของละเอียด ผิดคุณธรรมศีลธจริยธรรมในจิตใจแต่ว่าการกระทำออกไปเป็นอาบัติปาราเชกการฆ่าการเสพเมทุนการขโมยของเขาการฆ่าสัตว์มนุษย์แต่ว่าข้อที่วาจาคืออวดอุตริมนุษยธรรมคือคำโพดอวดอ้างว่าตัวเองเป็นผู้ มีคุณธรรมศีลธรรมเป็นผู้ได้สำเร็จเป็นสาเร็จมักสสำเร็จผลอันนี้คือวาจาพูดก็เป็นโทษประหารเหมือนกันไอ้โทษประหารเหมือนกันนะแต่กฎหมายบ้านเมืองยังไม่มีนะยังไม่มีแต่เขากดหนักขึ้นไปเรื่อย เ, อยเหมือนกันนะออแต่ว่าทางพุทธศาสนาในโทษประหารนะโทษประหารคือขาดจากการเป็นพระเลยละ่ะ พิกษูตอวดอุตริมนุษธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องปลาลาเชกอย่างนีน้อันนี้คือโทษประหารในในสข้อ น, นั้นแต่ในใจความนึกขึ้นมานึกคิดขึ้นมาเนีเ่ยยังไม่ยังไม่ถึงยังไม่ปรับยังไม่เป็นอาบัตข่ายพระนะแต่ว่าผิดไหมผิดผิดในผิดในคุณธรรม แต่บาปไหมบาปอย่างหลวงพ่อจะยกตัวอย่างให้ฟังประเด็นหนึ่งพอเราพอหลวงพ่ออ่านได้อ่านได้ศึกษ า, าในพระไตรปิฎกแ้วก็เป็นเรื่องที่จะสาทกเรื่องว่ามาเกี่ยวข้องให้พวกเราคณะญาติโยมทั้งหลายได้ฟังคือสมัยหนึ่งพระพุพะพทธเจ้าของเราเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าพิมพิสพระเจ้า ปัดเศษทีโกศลกับพี่น้องประชาชนทําบุญแข่งกันฮะคือพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตั้งแต่กับอุชนโธโกณคามโนกัจจปโณทุกองค์พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะมีการทําบุญอาทิสตานการทําบุญแข่งกันจะมีอยู่พ ร, ร, ระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะมีครั้งหนึ่งแต่ละองค์แต่นี่ข่าวนี้ก่อ ะจะมีการทําบุญแข่งกันคือพระเจ้าแผ่นดินกับพี่น้องประชาชนทําบุญแข่งกันทีนี้ก็พอทําบุญครั้งพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าประสเสณธรรมพี่น้องประชาชนเห็นแล้วโอ้ยวันพุ่งนี้เราทําพี่น้องประชาชนรวมกลุ่มกันทําให้เหนือกว่าพระเจ้าแผ่นดินวัน ท, ที่สมองพระเจ้าแผ่นดินทําอีกเหนือกว่า พี่น้องประชาชนต่อมาพี่น้องประชาชนทําเอกเหนือกว่าพระเจ้าแผ่นดินทําบุญแข่งกันแต่บางคนก็ทาบุญแข่งกันไม่ได้บุญหรอก อ, อย่าไปคิดอย่างนั้นนะพี่น้องศรัทาญาติโยมลูกหลานการการแข่งกันหาเงินได้เงินไหมการแข่งกันทําความชั่วได้ชั่วไหมแกงการแกแข่งกันทําดีได้ดีไหมแกงแการแข่งการทาบาปก็ต้องได้บาป การแข่งการทําบุญก็ต้องได้บุญ เ, เพราะเราการแข่งแข่งการทําบุญสร้างบุญสร้างกุศล เ, เพราะฉะนั้นการทําบุญอพอหลายครั้งเข้ามาถึงต่างคนก็ต่างเพียงพั้มเลยไปชาชนก็ทําให้ดีได้สดเขาเนี่ยเอาชนะเลยน็อกเลยเ อ, อใครใครอยากจะน็อกใครข้างใดข้างหนึ่งเหมือนกันเพราะมีเป็นคู่ต่อสู้ใช่ไห้หล่ะ พี่น้องประชาชนก็รวบรวมกันเอาเต็มที่เลยเออพอเต็มที่พระเจ้าแพนดินพระเจ้าปัดเศณที่คือโก้สนเห็นท่านนั้นนะโอ้มือก่ายหน้าผากเลยท่านนี้โอ้ตบๆพี่น้องประชาชนเขาพร้อมเพียงส ม, มัครีกันจริงๆเอเราเป็นกษัตริย์นสู้ไม่ได้ล่ะยอมแพ้แล่ะข่าวนี่เห็นเห็นเขาทำํำละเอ่อแต่นี้ก็พอยอมมือก่ายหน้าผากไปว่ายอมแพ้นางมัลกาที่เป็นอัครเมเหสี ของพระเจ้าปเสนที่โกศลเห็นพระเจ้าปเสเนี่ยเหงื่อแตกเหงื่อหลทุกทุกหน้าซีทหน้าเชียวไม่รู้จะเอาอยัางไงจะสู้พี่น้องประชาชนได้ใช่ไหแต่นางวันเลกากหรือเอ้ยพระองค์เป็นกษัตริย์แท้ๆเนี่ยทำไมจะไปหายอมแพ้กับพี่พี่น้องประชาชนเครื่องไม้เครื่องมือของพระองค์มีพร้อมหมดทุกอย่างเลยที่จะสนับสนุนประชาชนเขาเขาไม่มีหรอกเรามี ทำไมเราจะไม่เอามาใช้เกิดประโยชน์ไอ้มันอลังการไปเลย น, ะนางมาเิกาเป็นผู้หญิงคิดคิดได้มากเลยคิดได้ดีเหมือนนพระเจ้าเพรนเสียนเอา้าเธออธิบายให้ฟังได้ยังให้ผมทํำยังไงนางมาเิกาวะเนี่ยเรามีช้างเอาช้างเนี่ยกั้นเออเป็นสักกั้งเป็นฉัดเลยกั้งปักกัท น, น์ะพูดง่ายๆทําบันลังขึ้นมาแต่ละองค์ละองค์เราในมูลพระ500รูป แล้วก็ทำบรรลังห้ารอยที่แล้วก็มีช้างห้าร้อยตัวเป็นช้างเป็นตัวยกฉัดยกประกชนกัน้นตั้งแต่ประพุทธเจ้าจนถึงองค์สุดท้า ย, ยประชาชนเขาไม่มีดอกช้าง เ, เราต้องเหนือกว่าเออใช่ใช่ใช่ใช่พระเจ้าพระเศียรใจเชิญขึ้นมาจัดการเลยแบบนั้นเตรียมการทําบรรลังเล ย, เอยพอทําบรรลังเสร็จแล้วก็ช้างได้ ส9่ตัววะเนี่ยได้ช้าง49่ตัวยังอยู่ช้างตัวหนึ่งที่มันขาดไปทีนี้อองค์สุดท้ายคื อ, ค อ, คอพระองค์กุลิมานโจนที่นั่งองค์สุดท้ายนะี่ยเราจะหาช้างที่ไหนทีนี้มันหาที่ไหนก็ไม่เจอไม่ได้แล้กระทันหันอีกต่างหากก็เลยเห็นมีแต่ช้างตัวหนึ่งอยู่เนี่ยนะช้างที่โมโหช้างที่ดุร้ายเอาเลี้ยงช้างเกเรไว้ตัวหนึ่งนะ เวลาจะเกิดศึกสงครามเนี่ยเวลาเขาจะเข้าไปจัน์ศึกสงครามเนี่ยเขาจะเอาช้างตัวนั้นล่ะเอาเหล้าให้มันกินเหมือนกันเลยอ่าเอาเหล้าให้มันกินกินกินพอกินเสร็จแล้วก็ปล่อยไปเลยปล่อยให้มันเข้าไปตีกับช้างช้างฆ่าศึกศัตรูนะอช้างตัวนี้มันจะไม่ไว้ไขแล้วมันเมาเหล้าใช่ไหมเหมือนกับคนขี้เมาล่ะเข้าไปเมื่อกึศัดกระเวียงชนคู่ชนคนอะไรมันเดีจะ เอาอย่างเต็มที่แล้วกัน น, ะนี่แหละเขาก็เลยเลี้ยงช้างตัวนั้นตัวบักใหญ่แล้วเหมืนกนะันอต่แต่เป็นช้างเกเรเป็นช้างที่ถูกแต่ก็เลยเจยนาออมมาทั้งหลายก็ว่ามีตัวช้างตัวเดียวแล้วจะเอาอยัางไงถ้าออกมาถ้ามันออกมาแล้วมันอารวาสนะตายแล้ววงแตกแน่แน่ทางนี้อ้าทํายังไงมันดูดูแล้วมัน ม, มีมีอยู่องค์เดียวเท่านั้นแนะ่ละยังไม่ครบมีบัรลังแล้วยังไม่ครบเนะเอยน่าจะออกมามันถึงห้าร้ยองค์ ทดลองเสียงรึป่ะอา่าวทดลองแต่เข้าไปบังคับหรือเข้าไปอยู่อย่างใกล้ชิดนะกลัวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็กำชับกันเป็นพิเศษว่าช้างตัวนี้ว่ากันอยากให้เขาก็เลยเอาช้างตัวนั้นออกมาจากาที่คุมขังของมันอ่อพอออกมาเขาก็ให้มันจับสเสวีฉัดใช่ไหมให้มันจับปะกตนใหญ่กั้นกันร่ม โอ้คนทั้งหลายนี่ไม่มองช้างตัวอื่นเลยเหมนเนี่ยมองแต่ช้างตัวนี้รู้สึกมันกิริยาบรรยอาน่วยาดาตกออกมาโอ้ดูท่าทางสวยงามแล้วก็มันก็มากั้งการล้มให้พระมหาแต่พระองค์ุริมาลโจรนีต่างหาพระองค์ุริมาลท่านก็เลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยที่ท่านก็นั่งฉันเฉยพอเสร็จพอฉันเฉยเทนั้นละ่ะพระพยายาุทธเจ้า ไม่ได้อนุโมทนาให้พรเลยพราะฉันเสร็จแล้วเดินลุกลุกออกจากสนาอาสนะเลยเดินออกอาสนะเลยเพี่น้องประชาชาชนศรัทธาญาติโยมทุกวันที่ทําบุญพระองค์จะอนุโมทนาเออวันนี้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทําบุญหน้าอนุโมทนาบุญกุศลของจงเป็นของท่านทาั้งหลายพระองค์จะอธิบายหรือว่าแสดงธรรมหรือว่าอนุโมทนาให้ทุกครั้ง แต่วันนี้พระพุทธองค์ฉันจังหันเสร็จแล้วกัเดินออกมาจากบัญลังเลยออกจากอาชนะเลยเดินออกมากลับวัดป่าเชตะวันพระสง์ก็ต้องลูกตามนะพอลุกตามเที่ยงก็พระเจ้าปัดเศษเลยก็เอ๊มันเป็นอะไรพระพุทธองค์ลืมมั้งคงจะลืมลืมให้ผ่อนนะคงจะลืมให้ผรไม่สบายใจนะไม่สบายพระไทยไง ออพอตกตกบ่ า, า, ายเย็นเก็บสิ่งของเสร็จแล้วนะก็เลยไปเข้าไปวัดป่าเชตะวันมหาวิหาร เ, เขาไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข่าเมื่อเช้าพระพุทธองค์ข่าพระองค์ได้ถวายทานกับพี่น้องประชาชนข่าพระพุทธเจ้าได้เสียสละทุนทรัพย์มากที่สุด ในการทำบุญในคราวนี้วันนี้วันเดียวหมดไปสิบสี่โกดนะหมดไปสิบสี่โกดโกดหนึ่งก็เป็นสิบล้านสิบล้านเป็นโกดใช่ไหมละ่ะสิบร้อยเป็นพันสิบพันเป็นหมื่นสิบหมื่นเป็นแสนสิบแสนเป็นล้านสิบล้านเป็นโกดนะพระเจ้าเปร์เส็นท์พระทำบุญวันนั้นนะสิบสี่สิบสี่โกด แต่พระพุทธเจ้าไม่อนุโมทนาให้พรด้วยเหตุอันใหนอพระเจ้าข่าพระพุทธองค์บอกว่าที่เราตถาคตไม่อนุโมทไม่อนุโมทนาให้พรวันนี้เพราะว่าเราตถาคตไม่ได้ลืมเห็นอยู่แต่ว่ามีอามาตของท่านอามาตของท่านมีอยู่สองคนนะั่นคนหนึ่งนะ่ะประมาทอย่างรุนแรงในจิตใจถ้าเราตถาคต อนุโมโทนาให้ฉลองเฉลิมขึ้นไปอัมมาตคนนี้เย่งประมาทมากเกินไปอีกศีรษะของเขาจะแตกเป็นเจ็ดภาคเขาจะตายต่อหน้าต่อตาในเดี๋ยวนั้นเพราะนั้นเราตถาคตเห็นาบาปกรรมตัวนี้มันจะหนักหนาจนเกินไปเราตถาคตจึงผ่อนคลายไม่อนุโมทนาและก็ออกมาในวันนี้เอ คืออํามาตสองคนนะเขาคิดในใจนะอมัดคนหนึ่งเป็นอํามัดใหญ่เหมือนกันนะคล้ายๆกับว่าผู้สําเร็จแทนสำเร็จราชการแทนพระเจ้าแผ่นดินลักษณะนะัเป็นอํามัดใหญ่แต่คนหนึ่งเขาโอ้พระเจ้าแผ่นดินของเราเงินท้องประคังเงินส่วนพระองค์นี่มีตั้งเยอะแยะไปหมดเลยทําเพียงสิบสี่โกรธนี่โอ้โหน้อยจิ๊บจ้อยเกินไป โอ้ถ้าเป็นของเราเนี่ยเราจะทําให้อลังการกว่านี้อํามาตย์คนหนึ่งนะขึ้นในใจนะอันนี้พระเจ้าแผ่นดินของเราเนี่ยทำน้อยเกินไปทำคล้ายๆก่าทําทยหยิบโยงน้อยๆเองเอไม่น่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะมากกว่านี้แต่อํามาตย์คนหนึ่งบอกว่าโอ้พระเจ้าแผ่นดินของเราเทำไมโง่นัก เ, เงินตัวเองเงินหาของหายาก แล้วเอามาทําปนปี้ขยี้ขยําอีกหมดไปทั้งสิบสี่โกดเพื่อได้หน้าทําไมโง่นักพระเจ้าแผ่นดินอแล้วก็เลี้ยงสัมณะพระเลี้ยงสัมภณะศีรษะล้นอีกตาหากเลี้ยงพวกพุทธเจ้าพอกินแล้วก็ไม่ได้ช่วยการช่วยงานอะไรไปตีพุงอยู่ในวัดวนูนะเอะทําไมโง่นักพระเจ้าแผ่นดินของเราเอถ้าเป็นอย่างเราโเราไม่ทําล่ะ อัน้ออมหมาดคนหนึ่งนะออมหมาดคนละคนมันเป็นอย่างนั้นนะในความคิดอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดคนหนึ่งปลาหมาดคนหนึ่งยกย่องนะเพราะในส่วนก็เลยออมหมาดคนที่ปราหมาดเนี่ยก็ปลาหมาดอย่างรุนแรงเลยว่า ง, งั้นเถอะพระพุทธเจ้าเห็นความปลาหมาดของออมหมาดคนนี้แหละถ้าขืนอนุโมทนาให้พรต่อไปออมหมาดคนนี้จะศีส่าแตกเพราะมันโมโหใครโมโหจับว่า ง, งั้นเถอะเพราะความบาปกรรม เข้ามาครอบงำอีกต่างหากพระองค์เห็นความเมตตาในอํามาตย์คนนี้พระองค์เลยไม่อนุโมทนุโมนาให้พรเดินออกมาเดินเสเด็จออกมาโดยที่ไม่ไม่ได้อนุโมทนาให้พรพระเจ้าประเสนทราบเท่านั้นแหละโอ้ใช่มันเรื่องของเราทําไมอํามาตย์จึงคิดอย่างนี้อย่างคิดอย่างนี้ได้จากนั้นพ ร, พระเจ้าประเสนก็เลยสเสด็จกลับเข้าเวียงหวัง พอเจเดต ก, กับแล้วก็เรียกอมมาต ร, ราชสเวกเขราชการชั้นผู้ใหญ่มาพร้อมกันพ อ, อพร้อมกันเสร็จแล้วทั้งก็ถามท่าอมมาศที่ท่านทำบุญวันนี้เป็นอย่างไรถามอมมาตคนที่มีศรัทธาก่อนอมมาศคนมีศรัทธ า, าก็อธิบายให้ฟังเออใช่เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้แล้วก็ถามอมมาตคนที่สอง ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรพูดตรงๆนะไม่ต้อง อ, อมีความรู้สึกยังไงที่การทำบุญในคราวนี้ครั้งนี้เขาก็พูดตรงๆให้ฟังก็อย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกพยากรณ์เดือนบอกกับพระเจ้าแผ่นดินมาทุกประกาศทันทีพระเจ้าแผ่นดินก็เลยเออเ อ, อมันเป็นเรื่องของเราเราก็ให้รางวัลให้ทุกอย่างเงินเดือนข้าราชการ ขินจ้างลางวันเราให้ครบทุกอย่างเราไม่เคยเบียดบังแต่บัตรนี้เป็นเรื่องของเราเป็นสมบัติของข้าพเจ้าเป็นสมบัติมาจากตระกูลของข้าพเจ้าเป็นสมบัติของเราเองการที่จะทำบุญ้าวนี่เป็นเรื่องของเราเอาเถอะถ้าคุณคิดอย่างนี้ต่อไปภายภาคหน้ามันจะเป็นพิรเป็นภยัยสำหรับราชสำนักเอาปลดจากตาแหน่ง พอปลดจัาตำแหน่งแล้วอ้าวไปส่งในประเทศไปอยู่ต่างประเทศอย่าเข้ามาในประเทศกรุงโกสนอีกต่อไปเพราะว่าการคิดอย่างนี้เป็นเพศเป็นพันเป็นอันตรายต่ อ, อาราชสำนักต่อพระเจ้าแผ่นดินถ้าดูถูกอย่างนี้เดี๋ยวก็จะจับสมัครพรรคพวกขึ้นมาคิดปฏิวัติขึ้นมาได้ง่ายๆคนประเภทอย่างนี้นะาจากนั้นก็ยกอามาตผู้ที่คิดดี สร้างบุญสร้างกุศลคนนี้ไม่เป็นพิษเป็นภยัยให้เป็นอัมมัดใหญ่ในราชสำนักนี่แหละคือคนที่คิดดีกับคนที่คิดไม่ดีในยุคนั้นสมัยนั้นคนที่คิดดีก็ได้รางวัลคนที่คิดไม่ดีก็เนรเทศพอเพียงคิดนะ แต่เมืองไทยของเราหรือใครก็ตามในเมืองไทยของเราเนี่การกระทำทางมนโนกรรม ย, ยังไม่มีโทษยังไม่มีใครว่าคนนี้คิดไม่ดีแล้วจับเข้าใส่คุกใส่ตารางเป็นอาบัติสังฆาปาราชิก ย, ยังไม่มเีเพราะว่ายังไม่ได้ออกไปทางกายและทางวาจา เ, เพราะฉะนั้นนี่แหละตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งให้กับคณะตถาญาติโยมลูกหลานได้ฟัง แต่มันเป็นโทษไหมก็ เ, เป็นโทษอย่างที่วานะี่ยการกระทาทางใจมันน่ากลัวนะน่ากลัวมากๆพอมันคิดจะก่อนออท่านจึงจึงทำออกไปและจึงพูดออกไปถ้าว่าคนที่จะรู้ได้ว่าเราจะเอาเออชนะมันยังไงในแนวความคิดนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านบอกไม่เห็นทางอื่น ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านไปนั่งอยู่ที่โคลนต้นโพวันเดือนหกเพนท่านนั่งขัดสมาธิเหมือนกับพระประธานพระพุทธอุโร ม, มงคนสองที่ต่อหน้าของเราที่พร ะ, ะหินนินสเปนเป็นหินนะลูกหลา น, นพระพุทธรูปพระพุทธะ อ, อ่งนี่ที่ท่านนั่งขัดสมาธิอยู่เนี่ยแล้วก็มี พระปรรมสารีริกธาตุบนพระเศียรแล้วก็เนี่ยท่านนั่งพระพุทธโลกท่านพระพุทธเจ้าท่านนั่งอย่างนี้แหละขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้น อันน้เราวิธีการที่จะรู้ได้จิตใจเรานึกคิดเรื่องอะไรนะแต่เราจะบังคับให้ใจมันนึกคิดเรื่องอะไรถ้าหาว่าไม่มีกรรมฐานอย่างนี้ละ่ะเราจับไม่อยู่นะข้าราชกญาติโยมลูกหลานนะมันคิดทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีเออมีแต่ทุกข์กับมันมันไม่น่าจะคิดมันทําไมมันคิดจะทํายังไงไมันจึงจะมันจึงหยุดคิด น, ะนี่แหละพระพระเดชจ้าท่านแนวทางของพุทธะเนี่ยท่านนั่งขัดสมาธิอย่างนีนะ้จากนั้นท่านกำหนดลมหายใจเข้า รูวหายใจเข้าหายใจออกรูวหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นจากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตเน่งจิตใจไม่คิดถึงอดีตใจไม่ทิกเมตถ์ไม่ปรุงไปในอนาคตใจอยู่ในปัจจุบันใจอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นเมื่อใจของพระองค์อยู่ในที่ปลายจมูกจิตใจก็รวมสงบลงเป็นหนึ่ง เกิดยารทัศนะขึ้นมาเยกวบุปเพยนิวาสารุษติยานระลึกชาติผลหลังได้เนี่ยนี่แหละคือความเป็นมาของพุทธะจากท่านพระ อ, องค์ก่อนระลึกพอระลึกชาติผลหลังได้ว่าชาติที่แล้วข้ามาจากไหนเป็นยังไงฮะพอถึงเที่ยงคืนจุตูปะปาะะตะยานการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายอพอจวนสว่างอาสาวกยายาน การอย่างรู้ว่าใจของเรานี่สัมปยุทธ์ด้วยอะไรจึงมาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารเพราะกิเลสพ า, ากิเลสกลิ่นเป็นวัตโวนเป็นเพืเป็นผู้นําจิตใจของเราให้มาเวียนไหวตายเกิดคือกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหกิเลสโลภโกรดหลงที่พานําจิตใจของเราไปเกิดในภพภูมิต่างๆนี่แหละพระพุทธองค์ก็รู้นี่แหละ ให้พวกเราท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าใจของเราเลิกคิดแต่ละวีดแต่ละวันแต่ละเวลาจะห้ามใจอย่างไรให้บริกรรมหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าถ้าเรากําหนดแต่ลมหายใจเข้าออกเฉยเฉยมันเอาไม่อยูออ่ต้องบริกรรมสำทับด้วยพุทโธด้วยนะหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทบริกรรมพุทโทพุทโธ นี่แหละอันนี้ก็คือกรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องคหลวงปู่มั่นที่แนะนำสั่งสอนสิทธิานุสิทธิ์ของท่านจึงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นของเราจึงว่ากรรมฐานสายพุทโธคือพุทโธก็คือเนี่ยภาวนาพุทโธคือสายหลวงปู่มั่นะสายอื่นเขาคริกรรมอย่างอื่นแต่หลวงพ่อเองอยากจะแนะนำพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมอันนี้เป็นปลีกย่อยนะ ไม่ใช่เป็นหลักนะแต่เป็นหลักจริงๆคือบริกรรมพอดโธรนี่แหละเป็นหลักนะแต่ปลีกย่อยพวกเราอยากจะรู้ว่ามันจิตใจของเรามันออกไปเวลาไหนว่ามันออกแล้วมันมันออกมันเผลอไปยังไงมันออกไปยังไงมันออกไปได้ยังไงในจุดที่มันออกนั่นอ่ะมันเผลออย่างมันเผลอเป็นยังไงไอ้ท่าว่าหลวงพ่อก็เลยแนะนําให้เห็นได้ง่ายๆเวลาหายใจเข้าให้เราพวกเรานับหนึ่ง หายใจออกให้พวกเรานับ2ให้นับ3นับ4นับ5นับ6จนถึงร้อยทามันไม่เผลอนะแต่ถ้ามันเผลอในช่วงไหนกลับมานับ1นใหม่เองแต่โดยมากมันจะเผลอนะนับนับมันเผล่อยังไงหลวงพ่อให้สังเกตเวลาหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3หายใจออกนับ4ี่ห้าห แต่พอมันจะเผลอมันจะเบอร์เบอร์นะลูกหลานคณะสั ท, ทายาติโยมนะเือหายใจเข้าเป็นเลขคลีเลขขี้หใช่ไหมหายใจออกเป็นเลขคู่2หายใจเข้าเป็นเลขคี้สหายใจออกเป็นเลขคู่สี่ขคู่คี้คู่ขีคู่ไปถึงรนะ้อยนะแต่พอมันจะเผลอมันจะเบอร์เบอร์ซะก่อนเออมันจะหายใจเข้าเข้านะเป็นเลขขี้ เ, เป็นเลขคู่นะทนี้ หายจะออกเป็นเลขขี้นะ่ะยมันเผลอแล้วมันเผลอแล้วมันเผลอตรงไหนมันเผลอยังไม่ถึงสิบเหรอเอากลับมานับหนึ่งไหมเอีกนับไปอีกเออตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นมาอีกนับไปดูซิเออถ้านับไม่ถึงร้อยนะ่ยแสดงว่าสติของเราเนี่ยไม่น่าไว้ใจนะขนา้าราทาญาติโยมลูกหลานนะเผลอเผอเป็นอัลไซเมอร์ได้ง่ายๆเป็นบ้าเป็นบอได้ง่ายๆเพราะสติของเรามันขาดเนี่ยขาดสติเร็ว สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องฝึกหัดนะถ้าเรามันเผลอบ่อยเราก็เอากำหนดค่ะเวลาเราเดินกับขาขวาพดขาซ้ายโถนะเรือกว่าขาซ้ายขาขวาหนึ่ขาซ้าย2ขาซ้ายขาขวา3ขาซ้าย4นับไปอย่างนั้นก็ได้นะับนะนะนะไปถึงร้อยแล้วก็นับใหม่อีกเท่าเดินเท่าเดินยังกลมนะนะ เร็วจะขาขวาพุทธขาซ้ายโทก็ได้แต่พอเราเรารับนันบสามสี่ห้าหกครั้งไม่เผลอเลยเธเนี่เราก็บริกรรมพุทโทเลยเธอวางวางวางการนับนั้นแปลว่าจิตของเราใช้ได้ละเธอนี่เราก็พุทโทรนะมันจะดีขึ้นเลยทีมันจะดีขึ้นทีเดียวนะก็น่าจะทายาดโยมลูกหลานนะเออมันจะดีขึ้นพุทโทมันจะไม่หลงไปเรืมเธนี่ยมันอยู่กับตัวของเราไปเรื่อยๆนะนี่แหละ จากนั้นจิตใจของเราก็จะเดินไปในทางสมาธิได้ง่ายเมื่อจิตใจของเราอยู่ในเดินอย่างนั้นแหละจิตใจของเราจะรวมสงบอย่างที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาล่ะจิตใจรวมสงบพอรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วก็น่นแหละเรานำมาพิจารณาทางวิปัสสนาพิจารณาอะไรพิจารณาอะไรพิจารณาวิปัสสนาวิปัสสนาคือนึกคิดหาหลักเหตุผล ในเรื่องนั้นๆท่านให้กําหนดพิจารณาเรื่องกรรมฐานหเกสาโลมานขาทันตาตะโจเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังอันนี้คือกรรมฐานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอุปชาก่อนที่พวกเราพระเลสพระเนรลูกหลานสมัมมเนรทุกองค์เข้ามาบวชพระอุปชาต้องประทานกรรมฐานห้าให้นี่แหละ เมื่อจิตใจของของเรารวมเป็นพื้นฐานสงบพอสมควรแล้วนํามาพิจารณาทางกรรมฐานพิจารณากรรมฐานหพิจารณาดูผมขนเล็บควันนังแต่บางท่านบางคนเขว่าทําให้จิตใจสงบนิ่งซะก่อนอจิตใจมันจะเป็นสมาธิเองเอเมันจะเป็นปัญญาวิปัสสนาเองเมื่อจิตใจรวมเข้าสู่ความสงบแล้วอันนี้พวกเราอย่าไปคิด ตามแนวแถวขององค์หลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิงอง์หลวงตามหาบัวยืนยันหัวเด็ดตีนขาดเราเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ก็คือพวกคิด ป, ปะพิญยาพวกรู้ได้เร็วอันนั้นได้พอจิตใจรวมสงบแล้วเดินเกิดเป็นวิปัสสนาไปเองอันนั้นพวกคิด ป, ปะพิญยาพวกหัวไร้พวกหั ว, ว, ห, วหัวเก่งหัวหัวแหลมหัวสติปัญญาแต่ถ้าหาว่าพวกทันธาพิญญาพวก รู้ได้ช้าแล้วก็เมื่อภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วให้ถอนมันถอนเองหรอกไม่ต้องถอนมันหรอกมันจะถอนเองในเมื่อจิตใจถอนออกจากสมาธิแล้วนํามาพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายเกสาผมดูซิผมมันเกิดมาอย่างไรถอนผมออกมาซิมันเกิดขึ้นมาอย่างไรขนมันเกิดขึ้นมาอย่างไรร่างกายมันสวยงามยังไง ทำไมคนจึงแต่งผมให้มันสวยงามเอ่และวามขนเล็บถอดเล็บดูสิมันเป็นยังไงฟันอถอนฟันดูสิมันเป็นยังไงอะไรมันสวยงามถ้าเราไม่แปรงไม่ขัดไม่ขั ด, ไ ม, ขดไม่สีมันเป็นยังไงฟันเราฟันตะโจหนังถ้าเราไม่อาบน้ําแต่ละวันไม่ฟอกสบู่มันเป็นยังไงท่านหลกหนังดูสินี่แหละฉลุปแล้วก็คือให้แยกส่วนแบ่งส่วน ถอนผมไว้กองหนึ่งถอดเล็บไว้กองหนึ่งถอดฟันไว้กองหนึ่งถลกหนังไว้กองหนึ่ง เ, เกสาผมโลมาขนหนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังถลกไว้เป็นกองๆจากนั้นกัแยกออกส่วนอีกมังสังเนื้อชำแหละเนื้อออกไปอีกเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่า จนถึง3อาการส2สิบสองในร่างกายแยกส่วนแบ่งส่วนดูใช้เป็นอาจารย์ใหญ่เป็นกองกองแล้วถามใจโดยใช้ตอนนีเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วน่ใจจะรู้ได้แต่เอ้นี่เราเห็นร่างกายของเราเห็นไหมร่างกายของเรามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าชำระถ้าชำระเป็นอาจารย์ใหญ่ออกมาแล้วใจมันก็ต้องยอมรับใช่ทุกคนถ้าคนตายถ้าเราไปชำละเขาเป็นอย่างนี้แหละ ถ้าเขามาชำละเราล่ะเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะนั้นร่างกายของคนเราเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่แหละทุกคนต้องเป็นอย่างนี้มีผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราเนี่แหละร่างกายมันเป็นอย่างนี้นใจนะอจิตใจผ่านความสงบแล้วเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดชัดเจนเลยนะท่านนีเ่เพราะจิตใจผ่านความสงบแล้วมันเห็นได้ชัดเจนมองร่างร่างกายนี่ย มันเดินวิปัสนาได้ชัดนะจะเนี่ยลูกหลานนะแต่พอเห็นร่างกายเสร็จแล้วจะนี่ยนี่แหละร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ร่างกายคนอื่นล่ะเป็นไหมเป็นเหมือนกันพอนั่นร่างกายของเรามันเป็นอย่างนี้ใจของเราที่เราหลงทุกวันนี่หลงร่างกายใช่ไหมใช่นันมันเมื่อมันเป็นอย่างนี้เป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้อย่างหลวงพ่ออินนั่งอยู่เดี๋ยวนี้แหละหลวงพ่ออินก็หลงในหลวงพ่ออินนะจะเนี่ย หลงว่าพวออินจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหลวงพู่อินมีชื่อมีเสียงมีลาบมียศมีลูกน้องบริวารศรัทธาญาตโยมเข้ามาเกี่ยวข้องเขารบนับถือเริ่มไสหลวงพ่ออินก็หลงอะสิหลงหลงในร่างกายหลงในขนงานของร่างกายแต่ที่แท้เนี่ยดูนะใจนะตัวเองจะไปหลงนะขนาดร่างกายแท้ๆยังไม่ใช่ตัวตวนของเรานะใจนะใช่ไหม ถ้ามันชำะทำลาลออกไปนี่อีกสักวันหนึ่งนะไปเผาไฟทิ้งนะร่างกายนะใจนะใจไม้ใจในเมื่อใจรู้เท่ารู้ทันอย่างนี้มองร่างกายอย่างนี้รู้เท่ารู้ทันร่างกายอย่างนี้ใจของเรากเออใช่ขนาดร่างกายอย่างไม่ใช่ตัวตนของเราราบยศสนเส ร, ริญความเยินยอทั้งหลายทั้งปวงเเราจะไปหลงมันทําไมเออใช่หลงเงา หลงตะคุบเหงาหลงตัวเองหลงไปทําความชั่วอีกต่างหากถ้าหลงไปทําความดีมันก็ดีนี่นะเผลอเผลอพาหลงไปแล้วไปทําความชั่วเสียหายเกิดขึ้นมาอีกไปตกนรกหมกไหมอีกต่างหากเออทาไมใจของเราเนี่มันจึงไปหาหล ง, หลงร่างกายนี่แหละให้พวกเราถ้าหากว่าพวกเราพิจารณาอย่างนี้รู้เห็นร่างกายอย่างนี้แล้วก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้อย่างนี้ ตัวผู้รู้เนี่ยเป็นหลงเป็นหลงเรื่องทั้งหลายทั้งปวงจากนั้นเมื่อย้อนมาหาตัวผูรู้ผู้รู้ก็รู้เท่ารู้ทันในใจของเราก็เป็นอันนีจังเหมือนกันเดี๋ยวก็คิดตรงนะั้นแล้วก็คิดเรื่องนี้เป็นมันของไม่เที่ยงเหมือนกันใจของเราก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่แหละ จากนั้นก็ปล่อยวางที่ใจนะคณะสัทยาติโยมพระเนรลูกหลานทุกคนทุกอ ง, กองนะนี่แหละวิธีการเดินวิปัสสนาะคือเราเดินมักเดินมักคือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างที่พวกที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นแต่ใ น, นเมื่อวิปัสสนาะเดินเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจปล่อยวางที่ใจใจเมื่อใจรู้แจ้งเห็นจริงใจอิ่มตัวใจเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส นิพพานไม่หาที่ไหนนะหาอยู่ที่อยู่ที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ที่ดวงใจของเราเนอะพี่น้องสทายญาติโยมลูกหลานทุกคนเนอะนิพพานนางประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่ได้หาที่ไหนไม่ได้อยู่ที่นอกมันอยู่ที่ใจรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ที่ไหนเนะี่ยความรู้อยู่ที่ไหนพอมันปล่อยวางเท่านั้นแนหะเหมือนกับเราตะก่อนเราไม่รู้หนังสือนะแอกไก่ขอไขเลข 1, 2, 3, A, B, C, ึ้นหนึ่งสองสามเอบซเราไม่รู้นะเออเมื่อเราไม่รู้ แต่เมื่อเรารู้แล้วนะเมื่อเรารู้แล้วความโง่ที่มันไม่รู้มันหายไปไหนมันก็หายตกลกลดกลนไปในขณะนั้นเหมือนกั น, ใ, นใจของของเราก็เหมือนกันแต่ก่อนเราไม่รู้มันหลงมันอยู่คนละเหลี่ยมกันแต่บัดนี้เรารู้แล้วเราปล่อยวางที่ใจของเราเนะ่เราก็ได้รู้แจ้งเห็นจริงในอัตในธรรมในว่ามรรคผลนิพพานไม่หาที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเราทุกๆุกท่านนะและวันนี้หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว เรื่องราวการทำวัดก็ใหพ้พี่น้องประชาชนทัดทายาตโจมขนรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่หลวงพ่อเคยเป็นเนนมา ก, ก็ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็พาไปํำวัดครูบาอาจารย์จากนั้นก็กายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมสาคัญฉไหนมโนกรรมสำคัญชไห น, า น, ก, รรนากายกรรมไม่ต้องพูดถึงติดคุกติดตารางทางฝ่ายพระก็เป็นอาบัติถึงที่สุดได้ โทษประหารได้การพูดกระโทษประหารได้แต่แนวความคิดเนี่ยยังไม่ถึงโทษประหารหลวงพ่ออธิบายให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังเป็นเป็นพิษเป็นภัยอย่างร้อยแรงเหมือนกันพระพุทธศาสนาท่านให้ความสําคัญเรื่องอมัณโนกรรมกายกรรมวจีกรรมไม่แพ้กันหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ได้อธิบายเรื่องวิธีธรำจิตกระจับจิตจับใจยังไงจะเข้าสู่ความสงบ ขั้นตอนในการทำจิตใจให้สงบและจากการจิตใจเมื่อจิตใจสงบแล้วนำมาพิจารณาทางด้านวิปัสนาเดินวิปัสนาเดินอย่างไรหลวงพ่ออธิบายให้คณะทศชายาโจมลูกหลานได้ฟังเป็นแนวทางนะต่อ น, นี่ไปการกล่าวสมมติธนยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา ด้วยอำนาจคุณพระษีรัตนัไรยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาขอให้มาคุ้มครองสถาญาติโยมลูกหลานพระเนนทุกองค์จงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมให้สมหวังดังปรารถนาดวงตาเห็นธรรมในที่สุด ทุกทุกท่านด้วยเทอน